เจตุธวักพระปัเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้าละนิวรณ์ห้าอย่างขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกว่าด้วยนิวรณ์ห้าคำว่าละนิวรณ์ห้าอย่างอธิบายว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นละ คือละทิ้งบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกลางมชันทานิวอนสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความพอใจในกลามพยาบาทนิวอนสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความคิดปองร้ายถีนามิทะนิวอนสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความหดหูและซึ่มซึมอุทจะปุกุจะนิวอน เสียงกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉานิวรณ์เสียงกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความลังเลสงสัยสงัดจากกรามสงัดจากอากุศลธรรมแล้วบรรลุปถมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่รวมความว่าละนิวรห้าอย่าง คำว่าขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วอธิบายว่าราคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโทสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโธทะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอุปนาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอกุชลาพิสังขารทุกประเภทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตคำว่าขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้ว อธิบายว่าขาจัดคือกาจัดละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอุปกิเลแห่งจิต ท, ทั้งหมดได้แล้วรวมความว่าขาจัดอุปกิเลแห่งจิต ท, ทั้งปวงได้แล้วคําว่าไม่อิงอาศัยในคําว่าไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วอธิบายว่าการอาศัยสองอย่างคือหนึ่ง การอาศัยด้วยอำ <Access wir S 1> นาจตันหา 2. การอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐินิชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจตันหานิชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าความร ah. ักได้แก่ความรักสองอย่างคือหนึ่งความรักด้วยอำนาจตันหา 2. ความรักด้วยอำนาจทิฏฐินิชื่อว่าความรักด้วยอำนาจตันหานิชื่อว่าความรักด้วยอำนาจทิฏฐิ ว่าด้วยความชังคำว่าความชังได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุนเคืองเคืองเคืองมากเคืองตลอด ช, ชังชิงชังเกลียดชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุสร้ายกิริยาที่คิดประทุสร้ายภาวะที่คิดประทุสร้าย ความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกรียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานี้คำว่าไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วอธิบายว่าพระปเจกประสมพุทธเจ้านั้นตัดความรักเพื่ออำนาจตันหาความรักเพื่ออำนาจทิฐิและความชังได้แล้ว คือตัดขาดถอนขึ้นและบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกก็ไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสและโผฏฐะที่ได้รับรู้และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งคือไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ติดใจแล้วได้แก่ออกแล้วสลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก ด, ด้วยเหตุนั้นพระปัเจกสมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าพระปัเจกสมพุทธเจ้าละนิวรห้าอย่างขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัย ตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรตพระประเจียประสมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเจียประสมพุทธเจ้าละสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัส ก, ก่อนๆได้แล้วได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้ว จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคําว่าละสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัสตนก่อนได้แล้วอธิบายว่าพระปบาเจกกะสัมพุทธเจ้านั้นบรรลุจตุทัชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัสตนก่อนได้มีอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์อยู่รวมความว่าละสุขและทุกข์ สมนัติและโทมนัตต์ตนก่อนได้แล้วคำว่าได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วอธิบายว่าคำว่าอุเบกขาได้แก่อุเบกขาความเพิกเฉยความเพิกเฉยอย่างยิ่งความที่จิตสงบความที่จิตสงัดความที่จิตเป็นกลางในจตุทชาญคำว่าสมถะได้แก่ความตั้งมั่นความดำรงมั่น ความไม่คลอนแคลนความไม่กัดแกงความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความที่จิตไม่ชัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิภละสำมาสมาธิอุเบกขาและสมถะในแจตุทะฌานสะอาดคือบริสุทดผุดพองไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนปราจจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหว คำว่าได้อุเบกขาและสมถาอันสะอาดแล้วอธิบายว่าคือได้รับประสบได้เฉพาะแล้วซึ่งอุเบกขาในจตุทชาญและสมถารวมความว่าได้อุเบกขาและสมถาอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกโ ด, ดยเหตุนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละสุขและทุกข์ สมมนัตและโทมนัต ก, ก่อนได้แล้วได้อุเบกขาและสมทาอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่ง มีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรติคร้านมีความภาคเพียนมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคำว่าตั้งความเพียนเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งอธิบายว่ากรมตะนิพานเลขแก่ทาเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลส เป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งพระปจเจกสัมพุทธเจ้านั้นตั้งความเพียรเพื่อบรรลุกเพื่อเพื่อได้ได้เฉพาะถึงถูกต้องทําให้แจ้งประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ได้แก่ลงแรงมีความบากบัน่นมั่นคงเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมรวมความว่า ตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งว่าด้วยการตั้งความเพียรเพื่อบรรลุธรรมคำว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรตคร้านอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นปลูกฉันทะให้เกิดพยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดปลูกฉันทะให้เกิด พยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปเอาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฉันทะให้เกิดพยายามตั้งความเพียรประคองจิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งคุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นปลูกฉันทะให้เกิดพยายามตั้งความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่ฟั่นเฟือนเจริญยิ่งไพบูร เจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรวมความว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤกตเกียรคร้านอย่างนี้อีกในหนึ่งพระประเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเถิดผลใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกาลังของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จะไม่หยุดความเพียรแม้อย่างนี้ชื่อว่ามีใจไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรติคร้านพระปจเจียกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่ง ม, มั่นว่าเมื่อเรายังถอนลูกสอนเคยตันหาขึ้นไม่ได้เราจะไม่กินไม่ดื่มไม่ออกไปจากวิหารทั้งจากไม่เอนกายนอน แม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรคร้านพระปัจเจกสัมพุธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตราบนั้นเราจะไม่ทำลายบัลลังนี้เลยแม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรตคร้านพระปัจ เ, เจกสัมพุธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่า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 มีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรคร้านพระปเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจักนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัสทําให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเช้าวันนี้เองแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติจิติคร้านพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจักนำมานำมาด้วยดีบรรลุ สัมผัสทําให้แจ้งซึ่งอริยธรรมในที่อย่งนี้เย็นนี้ก่อนพัดหลังพัดปฐมยามมชิมยามปัจฉิมยามข้างแรมข้างขึ้นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนปฐมวัยมชิมวัยปัจฉิมวัยนี้แม้อย่างนี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤกียิคราน คำว่ามีความภาคเพียรมั่นคงในคําว่ามีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเร็วแรงและกําลังแล้วอธิบายว่าพระปัจเจกสำพุทธเจ้านั้นสมาทานมั่นคงสมาทานแน่วแน่ในกุศลธรรมคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตการจําแนกทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถความเตื้อกูลมารดา ความเกื้อกูลบิดาความเกื้อกูลสมณะความเกื้อกูลพราหมณ์ความเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมอันเป็นกุศลยิ่งอื่นๆรวมความว่ามีความภาคเพียรมั่นคงคำว่าเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดาเนินไปพร้อม เป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมด้วยเรี่ยวแรงกําลังความเพียรความบากบั่นและปัญญารวมความว่ามีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกําลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกด้วยเหตุนั้นพระประเจกประสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าพระปัจเจกประสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อย่อน ไม่ประพฤติเกียรติร้านมีความ้าเพียนมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระปเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและชาน ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกคำว่าไม่ละการหลีกเร้นและฌานอธิบายว่าพระประเจ ก, กัสสพุทธเจ้านั้นเป็นผู้พอใจในความหลีกเร้นยินดีในความหลีกเร้นมันประกอบความสงบแผงจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในเรือนว่าง มีฌานยินดีในฌานมันประกอบในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหนักในประโยชน์ของตนรวมความว่าการหลีกเร้นคำว่าไม่ละและฌานอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่ละฌานด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งท่านประกอบประกอบทั่วขนขควยมุ่ง ม, มั่นมุ่ง ม, มั่นเสมอ เพื่อความเกิดข pues ึ cool ้นแห่งปฐมฌานที enfin ่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชฌานที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชฌานที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แก่ประกอบประกอบทั่วขนขวายมุ่งมั่นมุ่งมั่นเสมอเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌานที่ยังไม่เกิดขึ้นรวมความว่าไม่ละและฌานอย่างนี้บ้างสอง ท่านซ่องเศบเจริญ ท, ทำให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้วทุติยฌานที่เก ha ิดขึ้นแล้วตติยฌานท Docker> ี่เกิดขึ้นแล้วท่านซ่องเศบเจริญทำให้มากซึ่งจจตุธชฌานที่เกิดขึ้นแล้วรวมความว่าไม่ละและฌานอย่างนี้บ้างรวมความว่าไม่ละการหลีกเร้นและฌานคาว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ทาเป็นนิส อธิบายว่าสติปฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปเรียกว่าธรรมธรรมสมควรเป็นอย่างไรคือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติสมควรการปฏิบัติไม่เป็นฆ่าศึกการปฏิบัติเอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์การสมรวมอินทรีย์ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ความเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอสติและสัมปชัญญะเหล่านี้เรียกว่าธรรมสมควรคำว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรเป็นนิจอธิบายว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นประพฤติอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปในธรรมตลอดการเป็นนิจคือตลอดการยั่งยืน ตลอดการต่อเนื่องกันตลอดการสืบเนื่องกันตลอดการติดต่อกันตลอดการเป็นลำดับตลอดการติดต่อกันเหมือนระลอกคลื่นตลอดการเป็นไปต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดการสืบต่อกันกระชั้นชิดตลอดการก่อนพัดหลังพัดตลอดปุริมยามมชิมยามปชิมยามตลอดข้างแรมข้างขึ้น ตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนตลอดปฐมวัยมชิมวัยปชิมวัยรวมความว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรเป็นนิจคำว่าพิจารณาเห็นโทษในพบแล้วอธิบายว่าพิจารณาเห็นโทษในพบแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงพิจารณาเห็นโทษในพบแล้วว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและฌานประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิจพิจารณาเห็นโทษในภพแล้ว จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัเจกสรัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระปเจกสรัมพุทธเจ้าปราถนาความสิ้นตันหาไม่ประมาทไม่ง่เขลาคงแก่เรียนมีสติผู้มีสังขารธรรมผู้แน่ น, นอน มีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคำว่าปรารถนาความสิ้นตัญหาไม่ประมาทอธิบายว่าคำว่าตัญหาได้แก่รูปตัญหาสัทตัญหาขันธตัญหารสตัญหาโพธะพะตัญหาธรรมตัญหาคำว่าปรารถนาความสิ้นตัญหาอธิบายว่าต้องการปรารถนาคือยินดี มุ่งหมายมุ่งหวังความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะความสิ้นกติความสิ้นอุบัติความสิ้นปฏิสนธิความสิ้นพบความสิ้นสังขารความสิ้นวัตตะรวมความว่าปรารถนาความสิ้นตัณหาคําว่าไม่ประมาทอธิบายว่าพระปเจียกสัมพุทธเจ้านั้นทําโดยเคารพทําติดต่อ ชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายรวมความว่าปรารถนาความสิ้นตันหาไม่ประมาทคําว่าไม่โง่เขลาในคําว่าไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตัดสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลส รวมความว่าไม่โง่เขลาคําว่าพงแก่เรียนอธิบายว่าเพราะปัเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นเป็นพระหูสูตรทรงจําสิ่งที่เล่าเรียนมาแล้วไว้ได้สั่งสมสิ่งที่เล่าเรียนมาแล้วไว้ได้คือทำเหล่าใดที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน ทำเห็นปานนั้นเป็นธรรมที่ท่านเล่าเรียนมามากทรงจาไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดชัดเจนตามทฤษฎีรวมความว่าคงแก่เรียนคําว่ามีสติอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีสติคือเพียบพร้อมด้วยสติและปัญญารักษาตนอย่างยอดเยี่ยมระลึกได้ตามระลึกถึง ร, รมที่ทาคาที่พูดไวนานแล้วได้ รวมความว่าไม่โง่เขลาคงแกเรียนมีสติคำว่าผู้มีสังขารธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าสังขารธรรมได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่าผู้มีสังขารธรรมอธิบายว่า พระปัจเจลกสัมพุทธเจ้านั้นผู้มีสังขารธรรมคือผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมได้แก่ผู้มีสังขารธรรมผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกในหนึ่งพระประเจียกสัมพุทธเจ้านั้นรู้ขันธาตอายตนะคติอุบัติปฏิสนธิพบสังขารวัตะได้แล้วอีกในหนึ่งพระประเจียกสัมพุทธเจ้านั้นดำรงอยู่ในที่สุดแห่งขันในที่สุดแห่งธาตุในที่สุดแห่งอายตนะในที่สุดแห่งคติในที่สุดแห่งอุบัติ ในที่สุดแห่งปฏิสนธิในที่สุดแห่งพบในที่สุดแห่งสงสารในที่สุดแห่งวัฏฏะในที่สุดแห่งสังขารดำรงอยู่ในภพสุดท้ายดำรงอยู่ในอัตภาพสุดท้ายพระปเจกสัมพุทธเจ้าผู้ทรงร่างกายสุดท้ายไว้พระปเจกจัมพุทธเจ้าใดมีภพนี้เป็นภพสุดท้ายมีการประชุมแห่งขันนี้เป็นครั้งสุดท้ายพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้น ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพกใหม่ก็ไม่มีอีกเพราะเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าผู้มีสังขารตธรรมคําว่าผู้แน่นอนอธิบายว่าอริยมรรสีเรียกว่านิยามความแน่นอนพระประเจกสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอริยมรรสีจึงชื่อว่าผู้แน่นอนได้แก่บรรลุถึงพร้อม ถึงสัมผัสทำให้แจ้งความแน่นอนด้วยอริยมรรคจึงชื่อว่าผู้แนนอนคำว่ามีความมุ่งมั่นอธิบายว่าวิริยะเรียกว่าความมุ่งมั่นได้แก่การตั้งความเพียรการก้าวออกการก้าวไปข้างหน้าการย่างขึ้นไปความพยายามความอุตสาหะความขยันความมั่นคงความทรงไว้ความบากบั่นไม่ย่อหย่อน ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความประคองธุระไว้วิริยะวิริยินสีวิริยะพละสั ม, มาวายามะอันเป็นไปทางใจพระปัจเจกพระสัมพุทธเจ้านั้นประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมพี่พร้อมด้วยความมุ่งมั่นนี้ฉะนั้น พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่ามีความมุ่งมั่นรวมความว่าผู้มีสังขารธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกด้วยเหตุนั้นพระปัเจกประจำพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพระปัเจกประจำพุทธเจ้าปราถนาความสิ้นตันหาไม่ประมาทไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติผู้มีสังขารธรรม ผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัเจกรสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าไม่จะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีไม่ติดคลายเหมือนลมไม่เปียกนําเหมือนบัว จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคําว่าไม่จะดุ้งในพระเสียงเหมือนราชสีอธิบายว่าสีหะพญามรุกราชไม่จะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่หวาเสียวไม่สะทกสะทานไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่ขลาดไม่หวาเสียวไม่จะดุ้งไม่หนีในพระเสียงฉันใดแม้พระปเจกรสัมพุทธเจ้าก็ไม่จะดุ้งไม่หวาดหวั่น ไม่หวาดเสียวไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีละภัยและความกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวในเพราะเสียงอยู่ฉันนั้นรวมความว่าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีคำว่าลมในคำว่าไม่ติดพายเหมือนลมอธิบายว่า ลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหนาวลมร้อนลมพัดเบาลมพัดแรงลมบ้าหมูลมจากปีกนกลมจากปีกครุดลมจากใบตาลลมจากพัดคายทำด้วยได้เรียกว่าคายลมไม่ข้องขัดคือไม่ยึดไม่ติดไม่พัวพันอยู่ที่คายฉันใด ข่มีสองชนิดคือหนึ่งไข่ตันหาสองไข่ทิฐินี้ชื่อว่าข่ายตันหานี้ชื่อว่าข่ายทิฐิพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นละไข่ตันหาสลัดทิ้งไข่ายทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละไข่ตันหาสลัดทิ้งข่ายทิฐิได้แล้วพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่คล่องขัดอยู่ในรูปเสียงในรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐะที่ได้รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งได้แก่ไม่ยึดไม่ผูกไม่พัวพันเป็นผู้ออกแล้วสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ฉันนั้นรวมความว่าไม่ติดขายเหมือนลมคำว่าไม่เปียกน้ำเหมือนบัวอธิบายว่า ดอกบ er, er, death, horses, butter, er. so ัวเรียกว่าบัวน้ำท่าเรียกว่าน้ำดอกบัวไม่เปียกคือไม่เปื้อนไม่เข้าไปติดด้วยน้ำน้ำไม่เปียกไม่เปื้อนไม่เข้าไปติดดอกบัวฉันใดความยึดติดมีสองอย่างคือหนึ่งความยึดติดด้วยหน้าตันหาสองความยึดติดด้วยหน้าทิฐินี้ชื่อว่าความยึดติดด้วยหน้าตันหา นี้ชื่อว่าความยึดติดด้วยหน้าทิฏฐิพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นละความยึดติดด้วยหน้าตัหาสลัดทิ้งความยึดติดด้วยหน้าทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความยึดติดด้วยหน้าตัญหาสลัดทิ้งความยึดติดด้วยหน้าทิฏฐิแล้วพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติดในรูปเสียงรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยิน กลิ่นรสโพธฐะทาที่ได้รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งคือไม่ติดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่เข้าไปติดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ฉันนั้นรวมความว่าไม่เปียกน้ําเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรก ด, ด้วยเหตุนั้นพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่า พระประเจียกระสัมพุทธเจ้าไม่จะดุ้งในพระเสียงเหมือนราชสีไม่ติดคลายเหมือนลมไม่เปียกงาเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพญาศิีหราชมีเขี้ยวเป็นกําลัง ขมขี่ครอบงมเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉันใดพระปัจเจกประสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกําลังครอบงำบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้สอยเสยนาสนะอันสังกัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดฉันนั้นคําว่าพญาศิหราชมีเขี้ยวเป็นกําลังคมขี่ครอบงมเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉันใดอธิบายว่าสีหะพยามรุคราช มีเขี้ยวเป็นกำลังคือมีเขี้ยวเป็นอาวุธครอบงำเคือข่มขีท่วมทับกำจัดย่ำยีสัตว์เดริชานทุกจำพวกเป็นอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดาเนินไปยังชีวิตให้ดาเนินไปฉันใดแม้พระประเจกประสัมพุทธเจ้าก็ามีปัญญาเป็นกำลังคือมีปัญญาเป็นอาวุธย่อมครอบงำเคือข่มขีท่วมทับกาจัด ย่ำยีบุคคลผู้มีชีวิตทุกจำพวกด้วยปัญญาประพฤติอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าพญาสีหราชมีเขี้ยวเป็นกำลัง ข, ข่มขี่ครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉันใดคำว่าใช้สอยเสยนาสนะอันสงัดอธิบายว่า สีหะพยามรุพราชเข้าสู่ป่าลึกเป็นอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปชันใดแม้พระปัเจกสัมพุทธเจ้าก็ย่อมใช้สอยเสนาสนะอันเป็นป่าทึบและป่าละเมอะอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทาการรับของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีกเร้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเดินไปผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่ลับผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวประพฤติอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวฉันนั้นรวมความว่า ใช้สอยเสนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรดด้วยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพญาสิีหราดมีเขี้ยวเป็นกำลังคมขี่ครอบงามเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปชันใดพระประเจกสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกำลังครอบงามบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้สอยเสนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดฉันนั้น พระประเัเจกสัสมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเัเจกปัสมพุทธเจ้าเสภอาศัยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตตามการสัตว์โลกทั้งปวงไม่ได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก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 ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พราะปเจกระสัมพุทธเจ้ามีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหากระตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่รวมความว่าเสอาศัยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตตามการคําว่า สัตว์โลกทั้งปวงไม่ได้เกลียดชังอธิบายว่าเพราะเป็นผู้เจริญพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็ไม่เกลียดชังสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ไม่เกลียดชังสัตว์ที่อยู่ทางทิศเหนือสัตว์ที่อยู่ทางทิศใต้สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อาคเนสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพายับสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีสาน สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หอรดีสัตว์ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างสัตว์ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนสัตว์ที่อยู่ทั้งสิบทิศก็ไม่เกลียดชังคำว่าสัตว์โลกทั้งปวงมีได้เกลียดชังอธิบายว่าสัตว์โลกทั้งปวงไม่เกลียดชังคือไม่โกรธไม่อาฆาตไม่กระทบกระทั่งรวมความว่าสัตว์โลกทั้งปวงม่ได้เกลียดชัง จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกด้วยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้าเสพอาศัยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตตามการสัตว์โรคทั้งปวงมิได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเจกกสัมพุทธเจ้าละราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคำว่าละราคะโทสะและโมหะอธิบายว่าคำว่าราคะได้แก่ความกําหนัดความกําหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะ คำว่าโทสะได้แก่ความอาฆาตแห่งจิตความดุร้ายความเกลีก้ยกลาดความไม่แช่มชื่นจิตคำว่าโมหะคือความไม่รู้ในทุกข์ขายคืออวิชชาอากุศนลมูลคือโมหะคำว่าละราคะโทสะและโมหะอธิบายว่าพระปจเจกับพทธเจ้านั้นละละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งราคะโทสะและโมหะรวมความว่าละราคะโทสะและโมหะว่าด้วยสังโยชนิสิทธิ์ว่าทําลายสังโยดได้แล้วได้แก่สังโยชนสิบอย่างคือหนึ่งกามราคะสังโยชนสองปฏิฆะสังโยชนและถึงสิบอวิชชาสังโยชนิคาว่าทําลายสังโยดได้แล้ว อธิบายว่าทำลายคือทลายทำให้พังทำให้พังทลายและบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งสังโยชนสิบอย่างรวมความว่าทําลายสังโยชน์ได้แล้วคำว่าไม่จะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตอธิบายว่าพระประเจรประสมพุทธเจ้านั้นในเวลาจบชีวิตก็ไม่จะดุง้งไม่หวาดหวัน่นไม่หวาดเสียว ไม่สะทกสะทานไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีและภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวอยู่รวมความว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก ด, ด้วยเหตุนั้นพระปจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่า พระปัเจกษัมพุทธเจ้าและราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่จะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอเรศพระปัจเจกษัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุ จึงครบและเสพด้วยมทยิที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระปเจกประสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดคำว่ามีประโยชน์เป็นเหตุจึงครบและเสพด้วยอธิบายว่ามิทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นเหตุมีประโยชน์ผู้อื่นเป็นเหตุมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นเหตุมีประโยชน์ในภพปัจจุบันเป็นเหตุ มีประโยชน์ในพบหน้าเป็นเหตุมีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเหตุจึงคบคือคบหาเศรษเศรษเป็นนิตรซ่องเสษเศรษเฉพาะรวมความว่ามีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยคําว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากอธิบายว่ามิตรมีสองจำพวกคือหนึ่งอาคาลิกมิตรมิตรครองเรือน สองอนาคาริกมิตรมิตรไม่ครองเรือนนี้ชื่อว่าอาคาริกมิตรนี้ชื่อว่าอนาคาริกมิตรคำว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากอธิบายว่ามิตรสองจพวกเหล่านี้ไม่มีเหตุไม่มุ่งประโยชน์คือหาเหตุมิได้ไม่มีปัจจัยหาได้ยากได้ยากแสนยากรวมความว่า ทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากคําว่ามีปัญญามุ่งประโยชน์ตนในคําว่ามนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดอธิบายว่าเรามนุษย์คบคบหาเสพเสพเป็นนิสซ้องเสพเสพเฉพาะประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยชอบก็ไปนั่งใกล้ไต่ถามถามปัญหา เพื่อประโยชน์ของตนเพราะเหตุแห่งตนเพราะปัจจัยแห่งตนเพราะการแห่งตนรวมความว่ามีปัญญามุ่งประโยชน์ตนว่าด้วยกรรมไม่สะอาดคำว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่สะอาดอธิบายว่าเพราะประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาดมนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยวจีกรรมอันไม่สะอาด มนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาดมนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยปาณาติบาตอันไม่สะอาดอธินาทานอันไม่สะอาดกาเมสุมิฉาจารอันไม่สะอาดมุสาวาทอันไม่สะอาดปิสุณาวาจาอันไม่สะอาดพรุสวาจาอันไม่สะอาดสัำภาปลาปะอันไม่สะอาด อาพิชาอันไม่สะอาดพยาบาทอันไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยมิชาทิฏฐิอันไม่สะอาดมนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยเจตนาอันไม่สะอาดมนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยความปรารถนาอันไม่สะอาดมนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดเพราะประกอบด้วยปณิธานความตั้งใจอันไม่สะอาด มนุษย์ทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สะอาดคือเลวสามต่ำสามต่ำน่ารังเกียจหยาบเล็กน้อยรวมความว่ามนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามองประโยชน์ตนไม่สะอาดคําว่าผู้เดียวในคําว่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกอธิบายว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่าผู้เดียวพระส่วนแห่งการบรรพชา คำว่าประพฤติได้แก่ความประพฤติแปดอย่างคำว่าเหมือนนอแรกอธิบายว่าธรรมดาแรกมีนอเดียวไม่มีนอที่สองชั้นใดรวมความว่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกโดยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงครบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยาก มนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกจะทุทววัคจบขาข่าวิสาณสุตานิเทศที่สิบเก้าจบการอธิบายคำสอนแก่พราหมณ์พูดถึงฝั่งสิบหกคนเหล่านี้คือหนึ่งอชิตะสองติสะเมตยะสามปุณญกะ สี่เมตคูห้าโทตกะหกอุปศีวะเจ็ดนันทะแปดเหมกะเก้าโตเทยะสิบกลับปะสิบเอ็ดชัตุกานณิผู้เป็นบัณฑิตสิบสองพัทราวุธสิบสามอุทัยสิบสี่โปสาระผู้เป็นพระามสิบห้าโมคคราชผู้มีปัญญาสิบหก ปิณกิยะผู้เป็นมหาเรศีมีประมาณเท่านี้แหลแม้การอธิบายขั้คะวิจารณสูตรก็มีประมาณเท่านี้นิเทศที่ควรรู้ทั้งสองภาคท่านกำหนดทำไว้บริบูรณ์ดีแล้วจูลนิเทศจบบริบูรณ์